ผู้ที่ฝึกแล้วก็จะพอมองเห็นผู้ที่ยังไม่เคยฝึกนี้มันก็เป็นของที่ลาบากสันิดหนึ่งเราอย่าไปน้อยใจมันอย่าไปตกใจมันมันก็เหมือนนักเรียนนั่นหละเพิ่งเข้าโรงเรียนจะให้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้เขียนหนังสือให้มันสวยงามมันก็ไม่ได้อาศัยการฝึกอาศัยการกระทาอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติแล้วมันก็เป็นไป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 ธรรมชาติอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราจริงๆมันจะเจ็บจะไข้เมื่อไหร่ก็เจ็บก็ไข้มันจะตายเมื่อไหร่มันก็ตายมันไม่ห่วงเราทั้งนั้นหละอันนี้เราก็ยังไม่เห็นมันมันน่าจะเห็นทำไมไม่เห็นละ่ะนี่มันก็มืดพออยู่แล้วที่มันไม่เห็นเนี่ยนะองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าของเรา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 จะไปนั่งภาวนากรรมฐานนั่งสมาธิมันไม่สบายมันไม่สงบม า, าหาลุงพ่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ไม่ได้หรือนี่อันนี้มันต้องพากันพยายามพยายามทำกันไปเรื่อยๆคนอื่นบอกมันไม่รู้จักมันจะต้องไปพบได้ตนเองไม่ต้องเอาทีละมากหรอกเอาน้อยๆแต่เอาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เดินจงกรมทุกวัน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 พระโพธิยานเทระหลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองป่าพง